ขอกับนัมัติกันพระเถรานุชละคุณกูบาจารย์ทั้งน้องพี่น้องพ่อทุกๆรูปเดินพรานบาตกอุบติกาไม่คีผู้ฝ่ในธรรมทั้งหลายอ่ามือลงตาพูดต่างๆทำบายน้องพ่อไม่ค่อยได้พูดกับธรรมะเพราะว่าพูดไม่เป็น ดไม่ไม่เป็นคือไม่มีเรื่องมีราวเหมือนมูมีแต่เอาคิดเห็นแนกูพูดไปตำเรื่องตำราวไปเป็นนั้นเป็นไงก็อดตาฟังอ๋อตั้งอกตั้งใจทำเรามาเนี่ย บุญหลายนะที่ได <o> ้มาอยู่ี่นี่น้อยคนจะได้เข้ามาคนไม่มีบุญไม่มีวาตนาไม่มาไม่ได้เลยมันอยู่นี่เพราะเรานี่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราหลงมาแต่กายนานแล้วตั้งแต่กี่กับกี่กันกี่ชาบิมาแล้วแล้วเราเกิดมาเนี่ยมัวโกรธเวียนไหวใจเกิดอยู่ในนู่นเรานี่แหละอตาตาพั้งแต่มันจะเกิดเราเกิดมาแบบเดียวกันนี้แหละ แล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องชีวิตตัวเองทํำก็ทํามาแล้วทํามาแต่ไหนแต่ไรมาแต่ก่อนเราคือพ่อแม่เราเนี่ยหลงทางมาตลอดการเจริญทําบุญให้ทานราชาสินที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นบุญกุศลเป็นยอดบุญยอดกุศลของพวกเราที่ได้ทําลงไปเนี่ยแต่ว่ามันยังโ ว, ว้เกลื่อนไหวตายเกิด ูเพราะว่าไม่ได้ปรึกเรื่องชีวิตอินทรีย์ของเรามันเป็นยังไงเราก็ไม่นั่นแหละเราถิ้งไปตามยถ า, ากรรมเกิดมาแล้วก็ถูกหลอกไปตะพุทธะพือไปเนี่ยหลงอยู่งั้นแหละแล้วก็เท่าเดินี่แหละว่าถือพุทธศาสนาถือเสกพุทธศาสนาก็ถือมาแต่ไหนแต่แลายมาแ้วก็ เข้าวัดเข้าวารักษาศีลเนี่ยก็ทำไปทั้งปฏิบัติธรรมะก็มีหลายๆแห่งอยู่แต่ก็ไม่เห็นไม่ใครได้ออกจากทุก์ได้เลยยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่อยู่นั่นแนลวมกวนเวียนไว้ตายเกิดอยู่นั่นแนลแล้วก็มาเกิด ขึ้นเอายุพอตายไปเราก็ตายตายนหนุ่มก็มีตายเป็นเด็กก็มีผู้เฒ่าผู้เฒ่ากแก่ก็ตายมีก็มีส่วนชีวิตจิตใจของเราแท้ๆน้ไม่เคยมาฝึกมหาหัดเหมือนมาเรามาอยู่แถวนี้ยมีดีมากลหละพี่เรามาอยู่เนี่ยขอให้ตั้ง อ, อกตั้งใจฟังทั้งใครทำนี่แ่ะจริงนี่แหละที่จะทำให้เรา สบายอกสบายใจท่านเราทํามาเป็นคนในชาติเนี่ยเรามาทําอยู่เนี่ยมันจะดีไปมันจะไม่ดีหมดไม่เป็นแล้วก็ไม่มีขี้ควยมารักมบุไม่มีจนมาปน ừ, เราตายไปแล้วก็นสิ่งที่เราฝึกเกิดเนี่ยมันเป็นเลื่อนลอยอยู่บนอากาศนี่แหละพอเราพวกเราก็อัน ส, สิ่งที่เป็นอกุศลมันก็ไปตามใช่ ยะท่ากรรมของมันไม่ใช่ชาติแช่กรรมแล้วก็มันเกิดมันตายอย่างนี้นแหละเกิดมาอีกก็ามาทำันเดียวกันนี่แหละนั่นเราเร า, เราจะว่าเราเนี่ยมันหลงมาแต่นานแล้วอย่ว่าเรารู้อะไรเลยเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ดีๆน่นนะไม่ไม่ค่อยมาทำชีวิตจิตใจของเราเนี่ยสำคัญมาก เนี่ยเรากเกิดมานี่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราก็มาปฏิบัติอย่างเรานี่ก็ไม่ได้เนี่ยจะออกจะทุกข์ก็ออกได้ทยากที่สุดเลยน้อยคนจะออกได้ออกได้ก็ไม่ไม่หมดโควโงวลงเนี่ว่ามาตายเกิดที่นี่แหละจังเราเกิดมาในนี้ก็มาสร้างกรรมให้ตัวเองถ้าเร า, าอยู่แบบนี้ก็มาสร้างเหมือนที่เราเคยมาแต่เป็นมาแต่ก่อนเคยทุกข์ก็ทุกข์ เคยยากก็อยากลำบากก็ลำบากมันเป็นอยู่นั่นเพราะว่าสร้างปัจจุบันไม่เป็นไม่รู้จักวิธีจะทำทำไปโดยลำพังโดยเองแล้วก็ไม่เอาใจใส่เนี่ยเราทำมาแล้วก็อดออมให้ดีพอเราหลงมาแต่ในแต่อะไรมาแล้ว เราทำให้ดีในตอนเราเป็นคนเนี่ยอยากได้ดีทุกคนแต่ไม่รู้จักดีน่ะก็คือทำกลมดีไม่ทำวามชั่วนั่นแหละไม่ต้องมาทำกลมชั่วสิิงในดีเราทำทำไปเลยจริงที่เทตบายใจไม่เอารับเอาเปียดกันเนี่ยมีหน้าที่ก็ทำไปชีวิต จ, จิตใจของเรานี่ก็มาฝึกมาหัด อยู่เนี่ยมันมันดีวิเศษเลยละ่ะหาพิ่งที่เปรียบเทียบไม่ไม่มีความรู้เนี่ยยกมือไปเอามือมาเนี่ยมันได้สติจริงจรงอยู่กับความรู้สึกเนี่ยมันมีความสุขมากอ่าแต่นี้ไปไหนมันก็เห็นตัวเองอยู่มันออกนอกไปเราก็เห็นเห็นแล้วก็กลับขึ้นมายกมือรู้สึกพอ ร, รู้สึกเนี่ยมันสิ่งที่มันคิดออกไปนั้นก็คือความคิดไม่ก็ออกมาไม่ก็เข้ามา สติหัวเรายังน้อยๆอยู่มันก็ไปกับความคิดปิดไปกับความคิด ต, ตั้งน า, นานๆเราจึงจะไปเห็นมันเห็นเข้าเห็นเข้าเราก็ค่อยเข้าใจค่อยเข้าใจเข้าไปเข้าใจกข้ไปเห็นโอ้มันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นมาแต่นานแล้วเราเกิดมาเนี่ยถ้าเรามันมาฝึกมาฝึกว่าหัดแบบเนี้มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มันเกิดมาเนี่ย วันนี้เราก็ค่อยระวังระวังอืมคือสิ่งที่ไม่ดีมันทําให้เราลงไล่ไปอยู่ในนี้เนะมันจากกี่ค่าจากกี่ค่าครับจี ก, กันกี่บดมาว่าแ ต, แต่ทั้งไหนไม่เรีนเนยนรู้มาแต่ไหนแต่ใดก็มาอยู่ทําอย่างเราเนี่ย ร, รู้จักว่าเราตัวเราดีเนี่ยเราทำแข่งแข่งกันคมทั่วเขาทาแข่งกัน ความดีก็ทำแข่งกันทำไปแร้ว่าถ้าเราไม่รู้จักชีวิตไม่จะแก้เจ้าของนี่ก็เกิดอาฆาตพยาบาทกันไปเรื่อยๆทำความพุกให้ตัวเองเรื่อยๆไปอย่าเข้าใจอย่างอื่นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วต้องต้องมาให้ละคมชั่วท้ามาประพฤติแป่ความคุณงามความดีอ่ ท่องพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามานี่แหละให้มาดูตัวเองเนี่ยมันออกไปก็ให้ดึงเข้ามาเอ่มันออกไปแล้วก็ดึงเข้ามาทําอยู่นั่นแหละอย่าไปคิดโตวิตกวิจารณ์มันมันได้เกิดขึ้นมาก็เป็นโพลูเฉยๆทั้งดีมันก็มันก็มีมันก็เป็นไปอย่างหนึ่งชั่วมันก็เป็นไปอย่างหนึ่ง เกิดพอใจเกิดไม่พอใจตาละพัดตัางกันมันจะเกิดมันเพราะว่าเราหลงหลงตัวเองไม่ได้เข้ามาอะไรเกิดก็เป็นมาเข้าไปอยู่กับตัวนั้นอารมณ์ดีก็ไปอยู่เป็นข้อดีอารมณ์ไล่มันก็ไล่ไปตามเข้าไปตามเรี่ยงตามเราของมันไปอยู่ทางนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราพยายามมาทําอย่าไปเอา ไม่มีสิ่งที่จะเอาอ่ะที่เรามาปลึกขัดอยู่เนี่ยมาใหม่ๆนี้ก็อไปคิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างเอีไปหาอาดีตบ้างหาอนาคตบ้างคิดแล้วคิดอีกเรื่องนั้นจบแล้วก็ยังเอาเรื่องอื่นมาคิดอีกบางดีก็บางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจบางทีเพิ่อเพลินไปกับมันบางทีก็ตกเศร้าเสียใจไปกับมันมันก็เป็นอยู่นั่นแหละ มันเป็นอยู่ในมันไม่ได้ว่ามันมันจะเอาไม่ตั้งแต่ก่อนครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกชัดเจนอย่างทุกวันนี้หรอกท่านบอกว่าให้ดูแต่บทความรู้สึกให้ดูรูกดูนามผารูปผ า, านามให้เห็นถ้าไม่เห็นรูปเห็นนามนั่นแ่ะมันจะไม่มีปัญญามันจะไม่เกิดมันจะไม่เข้าใจธรรมะนั่นแหละให้พระเดีมท่านตอนมามว่ม า, า, าเป็ดแบบนั้น แม้กระของปินของกิงตั้งแต่ก่อนเห็นรูปเห็นน้ําเนี่ยไม่ใช่เห็นธรรมดานะพอเห็นน้าเห็นรูปเห็นน้ําเนี่ยมันเกิดบีติอิ่มอิ่มอกอิ่มใจมีความเพลิดเพลินขยันไปกับมันมันขยันเอันใดเข้ามาเนี่ยกว่าไม่กลัวถ้าโลก อยู่กับตัวรู้ถึกเนี่ยตัวได้เข้ามาเนี่ยก็ค่อยเห็นเข้าเห็นเข้าไม่ค่อยออกนี้ไปเรื่อยไปเพราะฉะนั้นให้เราพยายามทําไม่มีใครทําให้เราดอกเราทําเองอจึงจะเห็นเองรู้เองเข้าใจเองไม่ว่าอะไทุกอย่างเรามาเกิดด้วเนี่ยทุกยากก็มีลุกทุกยากเข็นใจอย่างไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบก็ไม่มีเ่ คนใดเขาดีมันขยันเนี่ยเขาก็มีเงินมีทองมีเขา้ามีของอะไรก็ไม่อดไปอย่างตั้งแต่ก่อนนะดินเนียวยังเป็นของหาได้อยู่จับเอาที่ไหนก็ได้แต่บางคนไม่มีแรไม่มีอะไรมีนานะ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีแต่ป็ปเป็นบ่าวเขามันได้กินไม่ได้ทานเราเกิดมาเนี่ย มันก็ไม่มันก็ไม่มีเดียไม่มีเงินอะไรไม่มีเงินไม่ทองอะไรแล้วเกิดม า, า, าตัดดังๆอีกมันก็ไม่มีเพราะเราเราเป็นคนมันอยู่เนี่ยมันทําได้ทุกอย่างทําดีก็ได้ทําชั่วก็ได้เนี่ยท่านคนมีตรีปัญญาเนี่ยทําอะไรก็ไม่เกียจข้านขยันขันแข็งเหมือนเรามาอยู่ตรงนี้แหละคนในขี้เกียจก็ไม่เข้าใจ คนได้ขยันหมั่นเพียรก็เข้าใจธรรมะไปนั่นเรื่อยๆไปไมันมีใครจะมาทําให้เราเราทาเองจะเข้าใจว่าคนถึ่งนั้นจะมาช่วยสิ่งนี้จะมาช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือโดดอยู่ในตัวเรานี่หมดทุกคนนอกตัวเรานะ่ะเป็นของปลอมเป็นของเท่หลอกลวงให้เราไปเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี่ ดีใจบ้างเสียใจบ้างของที่เลาร่องให้ดีใจมากก็เรียกหัวเลาะสารพัดมันจะมาชวนเราพูดเราคิดไปพอเราเข้าใจแล้วก็ตัวไหนดีตัวหดไม่ดีเราก็รู้จักรู้จักเราก็เราก็พยายามออกให้ได้ความง่วงอหัวนอนนี่ก็สําคัญมากเด้อแล้วก็ความคิดนี่กว่าลังเลสงสัย ไปเรื่องอดีตอนาคตอราคตสารพัดต้งจะมันเป็นไปเพราะว่าหลวงยังไม่กลับขึ้นมาได้เนบางทีก็สงสัยสิ่งนั้นเป็นยงเบียงสงสัยสิ่งนี้ไม่รู้แก้งจากทีเมตั้งแต่ก่อนถ้าเราไม่ปาเข้าใจเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรก็ให้ดูตัวเองเข้ามาดูกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวใจรับรู้คนใหม่ๆ ให้ดูตัวเองอย่าไปดูความคิดให้ดูการเคลื่อนไหวก่อนเนี่ยการเคลื่อนไหวใจระรู้การเคลื่อนไหวใจให้รู้อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นเห็นรู้รู้แล้วก็เมื่อก่อนี้ไปเห็นแล้วก็รู้หมดแล้วก็หนีไปอ่าเราก็บางทีก็หนักบางทีก็เบาอันที่เราเดินไปเนี่ยแต่ก่อนเคย เป็นไปกับมันต่อมาเดี๋ยวต่อมาเนี้ยก็รู้จักค่อยค่อยเข้าใจเข้าเข้าใจโอ้ปฏิบัติธรร ม, มานี่พระพุทธญาเจ้าท่านสอนเนี่ยคือให้มาดูตัวเองอะไรเกิดให้รู้จักคือดทางกายก็ให้รู้จักาาเกิดทั้งใจก็ให้รู้จักแล้วถ้ามันเกิดทางกายก็เราก็เข้ามาอยู่แต่ความรู้ถึกเออตัวตัวรู้ถึกเนี้ยเป็น ที่พึ่งที่อาศัยของเราเป็นหลักกำบังเวลาเราลบเราเหมือนทหารนั่นแหะเข้าไปลบเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่กำบังเราเป็นทหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมัศดุนี่เนี่ยมาลบกับค่ากับค่าถึกถูในตัวเราเนี่ยคือตัวเกลียดนี่ล่ะกำลังเข้ากันบานกันนั่นแหละ เขาก็อยากแค่น่เราเราก็อยากแคนะเขาเพราะบ้านเขาเนี่ะบ้านเขาแท้ๆนั่นมันไม่ใช่บ้านเขาแล้วตัว ก, กิเลสนะเนี่ยมันไม่มันไม่มไม่ที่เกิดมันมาอาศัยเกิดกับคนเนี่ยแม้นแม่แม่เล็กกนันนะมันมันมันมากินนะเทียนิมกินมันไม่เหมือนเทียนิมนะลำอันกิเลสเราเนี่ย มันไปไม่ดีที่เกิดมันก็ไปเข้าอยู่ในต้นิมทําให้ต้นิมเป็นเกิดวิจารวันคิดอันทีมเมียงเกิดเข่าที่เล็กเอาอันเข่านี่เล็กนีมันบวชเข่าว่าะยังมันเป็นบอดีมันเกิดไปฟันเลยก็บ่ชเข่าไม่ออกคือคืออะไรชีวิตจิตใจของเราเนี่ย เขเหมือนกันนั่นแหละเราพอมันเรายังไม่นได้ไม่เข้าใจพอมาทําแล้วเนี่ยก็อะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกรู้ตื้อว่าโอ้อันนี้ก็มันก็โกหกเรามหลายครั้งแล้วอันนี้เราก็โกหกมาหลายครั้งแล้วนนลล ว, วันนี้เราจะไม่เชื่อมันดีก็ไม่ให้เอาชั่วไม่ให้ไม่ให้เอาพราอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเห็นเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ผ่านไปตะพึ่งตะพือไปเกิดขึ้นมาก็ ดูดูแล้วก็ทิ้งไปดูล้วก็ทิ้งไปนั่นแหละมันมันจะเป็นอยู่งั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนเหมือนกันถุอแล้วใครจะมือ ช, ชนะจิตใจมันดีมันจะดีหรือไม่ดีก็พยายามทำเอาไม่มีใครจะมาทำให้หรอกต่างคนต่างทำอืา ตัวไหนมันที่เกียแเราก็ให้มันรู้มันที่เคยเกียดขึ้นมาเราก็ขยันขด ม, มันหนักบางทีมันหนักขึ้นมาเราก็มาต้องไปเป็นผู้หนักกับมันก็เดินไปอย่างนั้นแหละมาเข้าไปที่พึ่งเทียตัยของเราเนอะคือความรู้สึกตัวยกมือก็รู้จกักเดินไปเดินไปเนี่ยมันก็รู้จกักรู้จากพอคิดปั๊บเข้ามาก็ พอสติเราแก่ก้าเขาเนี่ยม่เก่าออกไปเอ mm hmm. มันคิดเรื่องนั้นขึ้นมาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็าเพิดเพลินไปตะพึ่กับกมันตะพึ่ตะปื้ปไปก็มีแล้วก็ตอนเราตอนเห็นก็มันหลายเรื่องไปแล้วก็มีแล้วก็ธรรมดามันเป็นหนึ่งนั้นก็อย่าไปตีโพยตีพายมันให้มาทําให้มันเข้าใจมาดูตอนรู้สึก เนี่ยให้พยายามทาเนี่ยเกิดคนมาเนี่ยทำให้มันได้อยากได้ดีก็ต้องทาเดี๋ย ว, เ, ยวเราเป็นคนเรานี่ททำให้มันได้ให้มันเข้าใจเพราะว่าไม่มีใครท ำ, ทำมาให้เราได้เราทำเองเห็นเองเข้าใจเอง ถ้าเราลู่เดี๋ยวที่เราเป็นคนเนี่ยเราก็สิ่งที่ได้ที่มันเป็นพลพลเป็นไปเป็นในเป็น ท, ที่จะทําให้เราเป็นทุกข์น่นมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นหมดอความทุกข์ก็มีความสุขก็มีที่มันเกิดมาแล้วเราก็เห็นว่ามัมีประโยชน์ก็มีอันไม่มีประโยชน์ก็มีแต่เราเป็นผู้เห็นคือเรามาันรู้เฉยๆรู้เราก็ทิ้งไปรู้ ก, ก็ทิ้งไป อันดีก็เราก็เห็นเราก็แลี้ยไปอันทั่วเราเห็นเราก็แลี้ยไปอันความหนักความเบาความเปิดเชียงหมดทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเราเห็นมันมาสอนเราทุกอันแล้เราหาพยายามอย่าไปหยุดอันไหนเกิดขึ้นมาเราพยายามมาแก้ตัวเองกลับมาดูเครื่องหมด้ว ย, นะ ก, ยกันหนักกายเคกิดหมายใจรับรู้กายเกิดหมายใจรับรู้ไปเนะี่ยให้เห็น ถ้าเรามีสติเป็นประจําเนี่ยมันจะอะไรมันเกิดมาเราเห็นเหมือนเราอะไรมันมีตารอบนั่นแหละตารอบหน้าของเราเนี่ยมีเนาะเล่าต่อหรอกมีอะไรมาจาับมาแตะมาต่อมันก็เห็นความคิดเรานกีก็เหมือนกันมันที่มาทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเมื่อใดเราก็รู้จัก เพราะฉะนั้นเราทําก็อย่าไปนั่นอย า, น, อย า, น, อยานี้อยากอยากอยากนี้อยาปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยปัจจุบันดีมันก็ดีปัจจุบันไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่ในปัจจุบันขณะที่กายเคลื่อนไวหวใจรับรู้กายเคลื่อนไวหวใจรับรู้ต่อไปต่อไปพอเราเข้าใจเรื่องนี้แบนั่นแหละตุ๊กจะค่อยมาดูความคิด พอดูความคิดเห็นความคิดแล้วก็เกิดใจแล้วมันเป็นขนคิดนลุ ก, กมีความภาคภูมิ อ, อกภาคภูมิใจไปเดินไปหมดวันหมดคืนมันก็ไม่ห่วงเหงาเฮานอนกินข้าวเพาไม่อยากมันเพิดเพลินมันมั น, ม, นมันขยันแล้วก็แล้วก็ สบัดไปปฏิบัติแล้วก็ถึงนั้นเกิดมา ก, ก็รู้ถึงนี้นเกิดมา ก, ก็รู้รู้แล้วก็ค่อยพยายามจะไปดีอกดีใจกับมันให้ใจสบายสบายให้ใจมันอนอนท่มตัวจะทำอะไรก็ให้มันมีระเบียบเรียบร้อยมันเกิดอยู่กับพิวิตจิตใจของเราถ้าเรามาฝึกมหาหัดเนี่ยมันไม่ได้มันมันรู้แล้วนั่นแะ มันจะดีเองตอนนี้เรามาฝึกมหัดมหัดนี้ก็จะขี้เกียจจะยึดค้นเอาอันนี้นะไปเป็นหัวนหน้าหัวตาของเราจะทำการทางานอะไรเราก็เป็นก็จะไปทิ่งให้กายกับใจเนี่ยมันไปด้วยกันใจมันออกนี้ไปก็เรียกมันเข้ามา เนะี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำํำนี่แหละทําปฏิบัติเนี่ยไปนานๆแล้วจนมันเป็นเป็นเองนั้นนะมันเราไม่ได้กําหนดอะไรมั้งก็เข้าใจอย่มันเป็นเองต้องไม่ต้องอยากได้อะไรรอกขอให้อยู่กับปัจจุบันขณะที่กลายเคลื่อนไหวมันใจรับรู้กลายเคลื่อนไหวใจรับรู้เนี่ยรู้แล้วก็หลงเปล่นหลงเป็น ไม่รู้ไปมันก็มันก็ดีไปเนะี่ยใหจ้จังใจให้ดี <c oughs> คนแก่แล้วก็พูดเนเว่าไม่มีหลักมีฐานมานจากมาย่อยไปเรื่อยๆไปให้พูดก็พูดไปอย่างนี้แหละนั่นะระวัาางให้ดีตลองพ่อ มันมันเห็นจะตัวเองเนี่ยมันอยากไม่อยากหนีไแต่ไม่ได้อย่างนี้ไปไหนหรอกลูกเต้าเขาอยากได้ถึอเกิดไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องพูดถุยจะมาพูดอย่างนี้ได้หรอครูบา อ, อยา ก, กเสียดเอว๋ <c ười> วเลยวะไม่ บ, บาสีดเดอะยังยังบา อ, อยากเสียดมาตันไม่กลัวมาเยื่อกระมู่พีมก็ดิเป็นมู่พีเขื่ อ, อ น, นกับสูนีนแ่แล้ววางเสียแล้ว มู่ผีหรือไงอ๋อผีก็โตเขาเนี่แล้วโ้ดอ่ะมันดีอะไรเสรพวกพวกเราเนี่ยมันไม่รู้จักไม่รู้จักตัวเองอามีแต่ผีนั่นแหละผีนี่ทําอะไรได้หมดทุกอย่างจะด่าจะว่าจะทําอะไรอ่ะไม่มีความพิลิความอะไรใจใจไม่มีอดตะปะความเกรงกลัวว่าเนี่ก็ว่าไปเลยแตวก็จน ช, ชำนิชานาญแปลงนั้นแหละเราสร้างนั่นเองนะี่ย สร้างผีสร้างยักษ์สร้างมันไปด่าไปว่ากันอยู่ที่บ้านเราเนี่ย น, นะอย่าไปว่าันไม่ไปสร้างของบดีในบ้านนอย่างนั้นนะมันเป็นอันนั้นเนี่ยมันเป็นทุนของเรามันเป็นที่ดึงดูดของเรามันออกมาได้เรามาสร้างเองแน่เกินแน่เนี่ยมีนรกมีตะวันออันตรายจะเป็นในฝานนั่นนะ ถ้าเรามีกิเลสอยู่นิดหนึ่งมันก็ไม่ไปมาได้เราต้องมาปฏิบัติให้มันเข้าลองเข้าลอยอะไรเกิดขึ้นมานเราอย่าไปหวังเอาอะไรเลยขอให้เรายังไม่ทุกข์ก็เป็นพอมันจะดีมันจะชั่วก็เรื่องแต่แล้วแต่เรื่องของมันแต่ว่าเราจะไปทำชั่วขอเขอเทอะไร สิ่งนี้เป็นทุนเป็นรอนของเราแล้วก็อย่าไปตกอกตกใจมันจะตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องกลัวเอสบายมากทุนให้ได้อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องให้มันชนะอยู่ในตัวของเราในปัจจุบันเนี่ยแต่ไม่เอานะไม่เอาอะไรอะ่ะคือว่าไ ม, ไม่ทำไม่หยุดทําไม่หยุดไม่กลัวใครมันจะเป็นอะไรก็ให้มัน ตั้งใจเข้มแข็งถ้าใจิตใจไม่เข้มแข็งแล้วมันมันไม่ได้หรอกอืมัวแต่มันเหนื่อยมันคิดแบบนั้นแบบนี้สารพัดต้อคิดไปก็เป็นกับมันไปเรื่อยๆไปกันมันก็ไม่เข้าท่าเพราะฉะนั้นให้มีตาเตเนี่ยมาดูเอาสิ่งไี้เกิดมาให้เป็นผู้เห็นผู้รู้ให้มันเป็นทางผ่านให้หมดอแล้วก็ไม่เอาอะไร การมาปเปิดบทรมเนี่ยให้ดูตัวไปเรื่อยๆไปอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้อันขยันก็มีขี้เกียจขี้ข้านก็มีตารพัดตั้งใจมาจะเกิดตั้งกลัวทั้งเหนื่อยตั้งเก็บตั้งปวดตาลพัดตั้งจะมาเกิ ด, กก ม, กดมีแต่พยามารเท่านั้นแหละมันมาบอกร่อเราอยู่เดยเนี่ยพยามารก็ไม่มีอะไรก็สิ่งที่มันเกิดตัวเราเนี่ยไ ม, ม่มีตัวมีตัว ม, มาคันเออมัมา ฟันมาแทงเราหรอกเมียต่ความคิดนต่ห น, นะมันเกิดขึ้นมาจนร้องไห้ก็มีสารพัดที่มันก็เกิดขึ้นปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปเพราะนั้นเอาดีๆอะไรเกิดขึ้นมาให้มันเกิดจะไ้บังคับมันแต่ว่าเราดันนะ่ะมาอยู่กับตัวรูปึกเดินไปเร่ๆไป กายเคลื่อนไว้ใจรับรู้รู้รููู้้้รู้อะไรเกิดมาเนะี่ยเดยวเดี๋ ย, ยไปทิ้งทําอยู่นี่นแหละแต่เดี๋ยวก็หายไปเองหายไปเองอถ้าเขาเขา้าไปเป็นเขาเนี่ยมันก็ทุกข์ตอนไหนบันเนี่ยอัะไรเกิดขึ้นมาไปเป็นทุกข์ขอแล้วนั่นแหละมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแตุ่กตั้งอยู่มีแต่ทุกข์กกดับไปอันไรมีแต่ความทุกข์เลย ย้อนในตัวของเราเนี่ยน่ะถ้าเห็นแล้วก็ต่อพึงของเราเบ็ดหลงเป็นรู้ล้วก็มันก็ดีไปมันก็หายไปเพราะมันมีคู่ทุกอย่างนะถ้ามีเอาดีอันหนึ่งมันก็ดีไปอันอไม่ดีมันก็มีถ้าเราไม่เอาอะไรเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็ไม่เอาอะไรมันก็รู้เฉยๆมันก็แล้วปล่อยวางไปแล้วก็แล้วไปเรื่องเราแล้วก็ตาม มันจะเกิดขึ้นมามีคนมาด่ามาว่ามาอิทธิภัยาบาตเราเนี่ยให้เราพยายามมาดูตัวเองมาแก้ไขตัวเองเรื่องว่านั่นนะอันคนพูดเขาผู้อื่นเขาพูดนั่นนะก็เรื่องขอ ง, ของเขาแต่ว่าเราเน่ยมาฝึกมาหาันแล้วไปบ้านเนี่ยมีคนอะไรมาพูดให้เราเก็บอกเก็บใจไปแบบเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับ นัน่นแหะไปยึดมันถือมันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละมันก็ไปเป็นเรื่องนั้นแหละถ้าเราไม่มาทําแบบนี้เราจะไม่รู้จักเลยมันจะรูปตู้ตัวรูปไม่ได้หรอกอเรายกมือขึ้นในเรื่อยไปเนี่ยยกมือมือไมอ่ไม่หยุดสตเนี่ยอ่ะมันจะคิดไปทางอื่นเราก็เห็นพอมันคิดไปเนี่ยพอเราคิดพอมันที่ว่าจะคิดเรื่องนั้นอย่างนี้มันเห็นเลยเห็นแล้วมันขาดออกไปขาดออกไปถ้าเรามีสติแล้วอ่ะมัน มันด้วยจากเท่าทันสิ่งไหนเกิดขึ้นมาอืมพอเห็นปับ๊บมันก็ขาดออกไปพ้อมกันเกิดมาปับ๊บมันก็ขาดออกไปจิตใจเราก็สว่างสวยมีความภาคภูมิอกภักภูมิใจเพราะเห็นความคิดพอคิดขึ้นมาเวลาใดเราก็เห็นเห็นมนมก็ขาดออไปเนี่ยถ้าเราทําได้แบบนั้นมันก็เรียกพบเรียกขาดเกิดขึ้นได้ เออพบชาตเกิดที่ไหนเกิดที่เรายังอยู่นี่แหละตั้งแต่เรายังไม่มาฝึกมาหัดไปอยู่บ้านตามธรรมดาแล้วเนี่ยตัวแล้วแต่เขาเด็ดพาคิดไปแบบไหนไปหยุดตามขอขทั้งวันทั้งคืนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีรักคนนั้นทางคนนี้สารพัดต้งจะพาไปเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดสิ่งที่เรานั่นแหละมันมาสร้างพบสร้างชาติให้ตัวเอง มันมันเป็นอยู่นั้นเพรา่าโอ้เท่าออกจากการดำได้แล้วออกจากกา ร, รดำนันแล้วมันถูกแล้วบันนียมีความพอ้พ อ, พ อ, พอมเพียงกันจิตใจของเราเนี่ยสบายสบายไปอยู่ในกุศสบายเออฝันไล่อย่างนี้ก็มันก็ไม่กลัวสิ่งในที่ผิดทินผิดธรรมมันก็รู้จักรู้จักเรา ก, ก็ปล่อยวางหลบกลับมาอยู่กับตัวรู้ถึก ออกจากทุกข์ก็ได้แล้วแหละคนที่ออกจากทุกข์ไม่ได้ก็ก็มีพวกเรามาปฏิบัตินเนี่ยยังไม่ยังไม่ถึงขั้นมันนะแต่ว่าเห็นคนนั่นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนั้นอย่าไปอยากจากเป็นกับเขาตัวแล้วแต่ะบุญบารมีของใครของมันมันจะเกิดขึ้นเมื่อเ ม, มื่อไหร่ก็ต้องต้องก็อย่าไปอย่าไปสงสัย อะไรเกิดขึ้นให้เรารู้จากอันความที่ไม่รู้มันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมาน่ะจากความคิดตั้งนั่นแหละแต่เราไม่เห็นมันพอเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ผุดจากความคิดมีสติแล้วก็เราเข้าออกออกจากสิ่งนั้นไม่ต้องออกไม่ยึดมั่นถือมันอะไรทักอย่างดังนี้มันก็จิตใจของเราก็ปลอดวงโลกสบายไม่มีอะไรือวันยังค่ามันก็ไม่กลางคืนก็ฝัน มันก็ไม่ค่อยฝันฝันก็มีแต่ฝันติดดีๆไม่เหมือนแต่ ก, แตก่อนเพราะเราฝึกชีวิตจิตใจของเราเน่มันอยู่ที่แล้วมันสบายเราหลวงพ่อก็เอาโอ่หายภัยหลวงพ่อด้วยได้เพราะว่าคนแก่แล้วแปดถึงเจ็ดปีแล้วก็ใกล้ที่ตายแล้วแหะ อ่าไตรงพยาบาลก็แต่นี่ไปไม่มาทำวัตรมาตั้งนานแล้วมาก็นั่งบม่ไหวเมื่อนี้ใครช่วยนะเมื่อเนี่ไปไปฟังเข็มสองวันแล้วรู้สึกว่าเบาท่านเบาหน้าออกผุมอกผอมใจเป็นอย่างนี้คงไม่ตายง่ายหรอก <laughs> โอ้ยจักแม่เอ้ยกานั่นแหละแรพอกเขานียายพอกตายไงเถาะต่างคนต่างเขาตัดทินประหารนั่นแหละเวิรดทุกคนดัดติ้นประหารเดือดเวิดทุกคนว่วตายเถาก็ตายนุ่มล่ะตั้งแต่เดินทางไปเนี่ยย่างก็ไปหาเบิดคว่ำตายเมื่อละเก้าเมื่อละเก่า เนี่ยปหลุดรักปรหารเขาเยอะแยะไปเพื่อหยอดดกหลดรักปรหารมันเขายอะยะเนี่ยก็ต้องตายเมื่อนานล่วงเลยมันเป็นตันแต่ว่าทำปัจจุบันให้ดีๆเด้ออย่าเอาอะไรอถ้าปัจจุบันดีมันจะดีถ้าปัจจุบันมันไม่ดีมันไม่ดีละอยากคนเป็นคนดีเกิดมาเชา่าเนี่ยเราอย่าไปทำความเชื่อ เนี่ยแหละเราทํามาถึงตั้งแต่เกิดมาจนอายุถึงขนาดนี้เราทําอยู่จนไม่ไม่หยุดเลยวันนี้เราลูกจากแล้วเราจะไม่เอาอะไรแล้วเราจะไม่ทําอีกต่อไปทิ้งที่ไม่ดีลดหย่อนผ่อนพันให้กันอย่าไปว่ากันอย่าไปดูถูกนินทากันอะไรมันติดอกผิดใจติดทําให้เราทุกข์เราก็อย่าไปเอาเอาทิ้งไปเลยเอีได้โลกอเนี่ยมันโลกสมมุติสมมติว่าทิงไหนไม่มีสมมุติไม่มีเอามาใช้ใช้มันเป็น ใช่ไหมเป็นก็เดือดร้อนถ้าใช่เป็นก็มีคุณมีความสุขมันอยู่กับตัวเราคืออยู่กับการกระทำของเราทั้งหมดอย่าเอาแต่ความโมโหโทโศมาเป็นหัวหน้ามันไม่ถึงความหรอกอันนะั้นน่ะเราอยากดีเรามาเห็นแล้วเราเห็นหมดแล้วละโลกเขานะ่นนะถ้ารู้จักว่าจิตใจชีวิตของเรานะเป็นยังไงนะั่นน่ะ เป็นอย่างถ้าเป็นอย่างที่เรามาปฏิบัติอยูเนี่ยรู้แล้วเข้าใจแล้วมันจะไม่เอาเลยทั้งทั้งอื่นไม่ไม่แน่นอนถ้าไม่มาได้มาแบบนี้จะไม่ยอมมาเกิดมาเลยแหละไม่อยากเกิดมาเท่าไหร่หรอกหลวงพอ่อโลกนี้ดีมากเลยที่เท่าเราอยู่เนี่ยมันมีหมดทุกอย่างมีมัมดสิ่งที่ไม่ไม่มีไม่ไ ม, ม, ม, ม, มีมีอยู่เนี่ยความดีความชั่วความ ไม่ดีความเร็วไหไอะไรทุกอย่างยึดที่เหียดที่ขั้ น, นอะไรพก็อยู่กับเราที่หมดเนี่ยมันอยู่กับเราเราสร้างขึ้นเองเนะี่ยเราต้องไม่ต้องเอาอย่างเดิมเย็ดไปนั่นแหละเอาอย่าไปเอาอันไหนที่ได้ปล่อยปะละเลยได้ก็อย่าไปยึดมัน่นถือมันกับมันให้พยายามมาแก้ไขอยู่ยในปัจจุบันให้ดีปัจจุบันดีมันดี ปิจวันดีไม่ดีไม่ดีเลยเนี่ยชาตินี่ดีชาติหน้ามันก็ดีนั่นแหละที่เราอยู่นี้นะปฏิบัติอยู่เนี่ยอันนี้นะเราได้ครึ่งหนึ่งกลางหนึ่งก็ดีเขาไม่ได้กว่าเขาไมา่ได้มาจักร้อยเท่าพันเท่านะคนเบิดโลกหมดโลกเนี่ยจะเป็นมนุษย์เนี่ยยากที่สุดนะหน้าตาเป็นคน แต่คิตใจมันนะ่ะมันเป็นผีเป็นสางเป็นเปรเป็นอจุลกายหลายอย่างมันเป็นไปอ่ะทางส่างผีหลายก็ม่ไม่ออกแจงกงินบันบักผีาบักนนพัเป็นยักษ์เป็นโค ม, มันก็เป็นยันงไงหัวจากพื้นไะม่ออกแยกยักษ์เนี่ยหัวจักเมื่อเึ้นมาหัวจักเป็นยักษ์เนี่เขาก็หูวจักเนี่ยเถ่ามาแล้ว่ คือความโมโหโทโซเขา น, าน่ะนะอ่าความบาปนักหนะาทาโหดอันที่ไปฆ่าตัดตัดชีวิตมือ น, น่ะนะมือ น, นึงน่อขายตัวนั้แลแล้วมันมันกลัวเรามันก็ปามันก็วิ่งนี้น่ะว่าแต่สัตว์วนโคกมันก็ไปหาขึ้นต้นใหม่ไม่ต้นอะไรเข้าโกนเข้าดูรีรคนน่ะ มาพี่ลูกนี้นีแลนท้อเขาอ่ะพวกยักษ์เขามาหาแล้วุณเดี้วเห็นเห็นคนไปเ่ะไม่ันมันหลับไม่ออกอุ้ยหลวงพ่อมเปน่าคลั่อันนักงงเดี๋ยวว่ายังดอกไปเสียบเอาเนี่ยเสียดน่ะไปเห็นเนอเนยเนเบ็ดอ่ะไปเสียบ นักอันเสียบขดนักเตี๋ยก็เกษียบร้อยไปทเทเบตนนะ่ะโอ้เอวกล้องเอวขดตึ้นนี่ก็เป็นกรรมมันนะั้นแล้วตามมึงนะ <c oughs> <c oughs> จนว่าอายุหาที่เจ็ดปียังค่อยเสีเ้ยวแม่แต่ตั้งมือเกิดหนดะอ๋อแล้วนะพ่อมาเนี่ย <c oughs> อ่าดีกว่าให้พะคุณเจ้าตลอด ญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เขาถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือความสว่างความสะอาดความตังบงความสดใสว่องไวจงมีแก่ท่ทานทุกๆคนเถิน